ทรงประชุมสงฆ์บัญยัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชัว พ, พัคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุผู้เป็นเทราทั้งหลายไม่ตั้งใจสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายภิกษุผู้เป็นเทราทั้งหลายสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายก็เพราะเห็นแก่อามิจจริงหรือพวกภิกษุชาว พ, พัคีทวนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า